ไกลปานไปฝากฝาข้ามสุริยาอีกดวงเลยจะครวญทั้งปวงอยู่สวงร่วงแด่นดยอยยากแค้นไกลแสน กลางคร ม, รมโทรมานป้านไหนเจอมานผ่านโหชดชดภัยร้อนร้ายกว่าไฟก็ทนแนวจริงแล้วใจไม่นาน ตายแล้วตายกี่หนมุ่งเพียรขอเพียงให้คนเมตตาร้องชมจริงใจนั้นคือแดนดังฟังฟันช่วยกันและกันดีมาก บังโลภหลงโกรธอยู่หั่บุญใส่ใครสร้างต่างเป็นคอ ใไม่ไหนเกิตายแล้วตายกี่หนมงเพียนขอเพียงให้คนเมตตาผ่องชนจริงใจนั้นคือแดนดัง ฝันฝันช่วยกันและกันดีไหมหวงโลบหลงโกรธอยู่ยัยบุญใส้ใครสร้างต่างเป็นของตน